และไม่ใช่กูปุกนั่งทีเพียงเข้าถึงความเป็นจริงว่าไม่มีกูไม่ใช่กูหลวงพ่อบอกผมว่าขาดไปคำหนึ่ง เล่มหน้าจะมีอีกบรรทัดหนึ่งเขียนว่าว่างจากตัวกูสภาวะนี้ยังไม่ถึงพระอรหันต์มันตกไปคำหนึ่งคนออกแบบอกเมื่อถึงตรงนั้นสลายสมาทิฏฐิลงหมดแล้วมันจะว่างจากทุกอย่างไม่ใช่แค่เข้าใจเข้าใจยังเป็นสมาทิฏฐิยังไม่ถึงสัมมาญาณนะ ผมถามว่าใครถ้าไม่ถึงจะพูดคำนี้ว่ามันขาดไปบัรทัดหนึ่งบรญยัติมันอธิบายปรามัติไม่จบผมถึงบอกหนังสือเล่มนี้สุดครับแล้วคนไม่รู้เรื่องก็นึกว่าจบแล้วแค่นี้ก็สุดยอดแล้วแต่คนสุดยอดจริงๆก็บอกว่ามันยังไม่สุด นี่คือเหตุที่ทำไมทุกคำพูดของคนจึงสามารถสื่อไปถึงภูมิธรรมของคนนั้นได้หมดคนไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรลองหันไปดูภาพที่เขียนอยู่บนแน่นะมก็สวยดีนะแต่ไม่รู้หรอกว่ากว่าจะเป็นภาพนี้เนี่ยยากขนาดไหนนอกจากนักศิลปะด้วยกันจะรู้ว่าโอ้โหสุดยอดจนไปรู้ว่านี่ใครเขียน ใครเขียนครับพระเจ้าอำนาจนี่คือฝีมือของพระเจ้าอำนาจโอภาโศคนไม่รู้งานศิลปะก็จะพูดว่า อ, อืมสวยเลยเราก็ทําได้อย่างเงี้ยเราก็ทําได้แต่คนทํางานศิลปะถึงขนาดยอดฝีมือเนี่ยผมโอ้โหยอมเลยยอมอะอย่างเงี้ย คนที่ฟังทำจะเจเอเฮ้ยฟังไปเยอะแล้วหมดรู้ทั้งนั้นแหะแต่คนที่เข้าใจทำจริงบรรทัดเดียวเนี่ยเปลี่ยนเลยหรือคนที่ออกมาบรรยายธรรมเนี่ยพูดอะไรออกมาเนี่ยบางทีคนที่นั่งอยู่เนี่ยต้องนั่งก้มหน้าเลยอืมทำไมเที่ยวไปจำเขามาผิดผิด <c oughs> รักจะจำแล้วจาให้มันถูกหน่อยเพราะมันผิดไปคำหนึ่งมันผิดหมดเลย มันเปลี่ยนไปนิดเดียวมันเปลี่ยนเลยพูดตรงนี้แหมพูดซะสูงเลยแต่ภูมิซะเตีย้ยเชียนะอย่างเงี้ยมันไม่รับกันเลยอย่างเงี้ยคือไปจำซะท่อนหนึ่งของแรงแรงเลยแต่ที่พูดมาทั้งหมดมันติดดินหมดเลยอย่างเงี้ยจะพูดถึงอินเดียมีประชากรสองแสนหนึ่งพันสองร้อยนั่น พอคนรู้จริงที่เขาอยู่อินเดียก็ไปอินเดียมาบอกให้คนเท่าไหร่ผมไม่รู้อแต่ผมรู้ว่ามันเยอะมากพอทานโคตรเยอะเลยอันนี้แสดงว่าอยู่จริง <c oughs> ส่วนทาตัวปัจเจเกเลยแล้วท่าน <c oughs> ใช้เวลาไปเยอะ <c oughs> พวกนอกเรื่องหรอ่านหนักซึ่งอมรินคุยกับหลวงพ่อเอี้ยนล่าสุดที่ผ่านมานิมนต์ ห, หลวงพ่อไปที่อัมริน คุณเมตตาบอกว่าขอปรวารณาตัวขออนุญาตได้รับลิขสิทธ์ทั้งหมดในงานเขียนงานบรรยายของหลวงพ่อจะดูแลงานเขียนงานบรรยายของหลวงพ่อตราบเท่าชีวิตแล้วก็แม้หลวงพ่อจะละขันจากไปแล้วจะพิมพ์งานของหลวงพ่อออกไปเผยแพร่ให้มากที่สุดเท่าที่ทาได้ ธมรินทร์ขอวารนาตัวแล้วก็จะทำงานทิ้นนี้แล้วก็จะเผยแพร่ไปเรื่อยๆขอลิขสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งหลวงพ่อก็อนุญาตหนังสือหลวงพ่อคงไม่ใช่หนังสือเบสเซลเลอร์ ller, แต่เป็นหนังสือเด <c oughs> อะเบส่ะาาสมาระหังสัมมาเลยครับเชิญครับไปขี Key ่วัวไปหาวัว อันนี้เปลี่ยนจากควายเป็นวัวแล้วใช้ได้แล้วละละการปรุงแต่งข้างในไปเรื่อยๆนะครับละการปรุงแต่งไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะเดินเหินอยู่ท่าไหนละการปรุงแต่งข้างในไปเรื่อยๆ